ในโลกคือมันมีแต่แนวเข้าเดือดร้อนเนอะมีแต่แน่วคือมันจะเป็นทุกข์หลายแนวหลายยางนี่ต่อันตรีเหตุให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นเด้่ยให้เข้ามููจักจังสั่นปฏิเสสมัวแต่มวนคืดหาวิธีต่อสู้มาอยู่ในนี่ต้องเป็นนักต่อสู้ต่อสู้กับทุวแน่วต่อสู้กับอารมณ์ ต่อสู่ก็แน่สิมากระทบเท่าคววมข้อใจคววมดีใจเสียใจความห่อนคววมหนาวามเจ็บคววมป่วยคววมขีเกียดขีผ่านคววมย่านคววมวัดข่มบันข่วมตัวข่วมย่านข่วมสร้างความเขียดมือนี่ยล่ะมันเด็กต่อสู่ทั้งมดเด๊เทาตรงต่อสู่มาเนี่ เข้าซ่อมสังเกตเบวังได้โมมีสูมันได้จะเคื่อดอกโมมีสูได้มีแจะทุกไปกัมมันเมื่อสุแนวขันแนวเป็นตะหักมากะหักไปแต่ บ, บ่ได้ยู่ดีสบายอีหละหักกระไดก็พ้นอยู่านล่ะขันคว่ำเป็นตะสร้างมากะกยีบละทุกสร้างมั่นเขียดมัน่นอันยังสั่นละโมมีย่มที่ยู้ดีขันหกักควค่ำขึ้นอยากได้ฮหนี่ ยากอีกต้องดินล่นคว้นควย้ยกระเสือกกระสนเนี่ยบอดียุสบายอันหาค้นเบาบอดีมากเครียดมาสั่งโอ้่นั่นทุกตลอดเวลาเข้าได้สู้อยู่เรื่อยเ ด, ยดสู้อยู่เรื่อยมันก็มีหลักอยู่ขันสีสูนะ้นี่ยเป็นว่าใน ส, สู้ด้วยสมาธิด้วยสติสมวัจจะเนี่ย อันตั้งสมาู้ที่ดีๆแล้วใจมันบอดีมบ่พ้นออกไปรับเอาเรื่องเอาเล่ามันบ่เอาเรื่องยังหรอมันบ่ทุกดอกมันสีวาวจังสั่นมันก็อยู่พอมันมันจิงเป็นจังไดจังกลางอันที่มันพร่อนที่มันหนาวมันก็เป็นอยู่พอมันอยู่นะในโลกมันเั็นวิญญาณสั้นมันก็อยู่พอมันแต่ว่าเข้าคืนพอทันยังบ่ทันใดเข้าว่างยังบ่ทันใด เขาเกิดว่ามันเป็นเรื่องของมันดอกจริงๆเขาคกิดเพราท่านได้เห็นใะ่ไหมเกิดเหตุเกิดยังไม่ย้ำได้เลยดีนโหลดท้นโหลดใจห่อนใจห่นกระซับกระายไซวันว่านมียาอีกขนาดหนึ่งอยู่นีม่มีที่อยู่เพวันว่าให้ใส่ขันติเยอขันติควมอดท้นยาอันนี้เกิดมาเองอยู่ในตัวเจ้าของปุงขึ้นมาเองปลูกขึ้นมาเองอยาเนี่ย มันมีตนมันอยู่มีเม็ดมีเบียร์มันอยู่เข้ามาวัดพระพุทธเจ้าผู้บาอาจารย์เป็นสอนไหวมีอยู่เป็นเอ่ยว่าขันติบาลมีให้สร้างไว้หลายๆขันติบาลมีวิธีสร้างกับพยากบอกสร้างไหวปลูกไหวปลูกให้มันเกิดในใจเจ้าของหัดอดหัตทน้น อดเอาพันใจให้อยากดามันก็อดไหวพันใจห้ให้กัเศร้าทสียให้ท่านใจดี่ท่านใจเต้สร้างมันเถาะประเสริฐคือประซ่างมันซ่างมันเียงกระดักซ่างมันเถาะบาใจห้เบาเกียดเบสซ่างละเสกอันนี้เอิ่นว่าวิธีฝึกขันติควมอดทนอันแน่ววุ่นวใจมากอันที่มันพ่อนนี่มันหนาวอันมันถึงซึกว่าเดือดท่อน เดือดท่อนแล้วมันใจมันดีมันทุนแล้วนะนี่ยทําใจเสยๆไปเลยอดเอาอดเอาหันหิวเข่ากับอดเอาหันอยากนอนก็อดเอาไปย่างจงกรมสักวันนั่งทำหนาที่สักวันถึงที่ละอดเอาเพมอดพิ่มทุนขันอดดูดูมันอดมันทุนมันสิเกีงแน่นี่มันเกีงมันเกียงขันมากนี่ย มันหลายๆเข่าวนี้มเก่งอดทนได้เมิดอยู่แนวย่ามไผ่อันตรายแม่กับยิ้มหัวได้ยุ่งจบายยันเจ็บไขรได้ป่วยนี่ผู้อดทนเก่งๆหนุ่มว่าเป็นอย่างนี้ยังไปยังมาได้เหตุเอียดเหตุงานการจางยังโว้ยังหัวยังก้มูกกับปวกก็ะไดอยู่มันเส่ยลักอดทนเื่อว่าขันเท้าสูกับทุกนี่ขันเป็นป่อยเป็นบ้างมันบริเทนได้มันบริเนเมด แล้วกำหนดยิดมันบโบลงเป็นสมาธิพ้อสิปล่อยสิว่างสิลบสิบังมันไว้ได้เนขะ้าโดเอาทั้งวันนี่ไงล่ะขันอดเอาได้เลยมันสิหอดวางมันดีดอกขันผู้ใดโบโหจักอ๊ดโบูหจักต้นเลยนะอีหยังมากกับโป้งออกไปโหลดเลนะโอ้แบบนั้ินห้างหลายเด็บ้านเมืองตั้งบ้านเมืองห้างขย้อนคว่ำบโอ๊ดเห็นะ โลกสี่ห้างพยนต์นขั้วโมอดเดียวนี้นะ่ยโมอดบมทนเลยมิเตซี่ไปขามีเตซี่ไปตีกันอดเอาในจังหน่อยกับบไดายทุกทันหละต่เท้าพยนยามโมอสดก็อดเอาทนเอาควาวน้ำอดน้ำทนเมันเป็นแนวดีเนี้มันบอกคือเงื่อนคือทองไนียดีกว่าทองค่ำดีกว่าเงืนน่อนมนีเงื่อนดอลล่าเงินบาทเงื่อนยังนีบ่ ด, ดีสานันเงื่อนชนียิดยเกะทั้งโลกนี้เงื่อน ยังเงินบาดใส้ใดเจลาอมแอมนี่เท่านี้นนเงื่อนน้อนลา ก, กใส้ใดข่วงข่วงแน่เท่านั้นจะได้โลกนี้แหละแต่ว่าขันติข้อมอดทุนนี่มันติดไป่กับจิตตัวมันติดมันเป็นบารมีมันสร้างมันสมไปนั่นแหละเนี่เข้าขีดใดได้อันนีล้ละดีไปยื้อสกบ็บโเดือดร้อนส ม, มูดอกะถ้ามันเดือดร้อนกระโปเดือดร้อนส ม, มู อันดพราอดพรทนไดมก็ทนไปคือยังมานั่งเาวนหน้าน้มูเนี่ยนะ้าลังต้นมาแต่ที่แหลกๆคือกันเทาเทาแตมาคือกันบัดนั่งผันนั่งได้ทนทนโบเดือบโบห่อนบบจมบบจมบบเจ็บบบจมบาปวดบบจมมาเมื์อยนนั้นี่เป็นมันเป็นเราได้ฮงนี่ยยึสิี่สงบเนี่ยพอโรคอดได้ไหย ราหลุดมีคว่มหึจิ้วเดือดร้อนอยัง่ยนางเจ็บท่ากับเก่เจ็บมันอดได้มันสบายมันธรรมด า, ม, ามันว่ากันจ็บมันจะเล่เป็นแต่หนาที่แ่เนี่ังั้นแหละประโยชน์เพรมันมีหลายอยู่ทั้งข้นเป็นตาไฮก็บโให้เครียดหลายกับ่เครียดละเียดมันก็ดีหลายคนผู้เครียดบหุงจับโอเจ้เพื่อนกับเพชยังโอมาบเรื่องมู่ก็เดือดร้อนเจอพ้องก็เดือดร้อน ปัดาคือที่หลังฝนแห้งอยากอายเขาซ้ำดีเนี่ยมันดีแล้วควมอดทนให้พึกไว้ควอดทนเนีละละละละ่ยหลาหลายอดมันช่วเน่ะอดทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งย่านทั้งบาด ท, ทั้งวันทั้งใจให้ทั้งควบักควสร้างควมอยากได้ควมขีขี้อยังนะัอดมดดั้ยจีได้ดีเช่นกัน